เพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อตัดภพตัดชาติตัดความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปซึ่งชาตินี้ก็ถือว่าเป็นชาติที่มีโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเราจะสามารถตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปได้เลย เนื่องจากมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นำทางให้แก่พวกเรานั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีทางที่จะสามารถตัดพบตัดชาติให้หมดไปได้ในชาตินี้เลยต้องบำเพ็ญบุญกุศลเป็นกับเป็นกันไปจนกว่าจะ สามารถตัดภพตัดชาติได้ด้วยตนเองได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอพบกับพระพุทธศาสนาในอนาคตที่ยาวนานเป็นหลายกับหลายกันต่อไปแต่ในชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว เรามีโอกาสที่จะตัดพบตัดชาติให้หมดสิ้นไปได้ในชาตินี้ไม่ต้องบำเพ็ญบุญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาเป็นกับเป็นการเนื่องจากเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางลาวสายบุญบารมีของพระพุทธเจ้าคือ ดวงตาของพระพุทธเจ้านำทางพาเราไปให้หมดความทุกข์ได้ภายในชาตินี้เลยนี่คือเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเดินทางสำหรับคนตาบอดถ้าเดินทางโดยตามลำพังจะไปไหนมาไหนนี้โอกาสที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนี้ แทบจะไม่มีเลยถ้าไม่มีคนนำทางแล้วเดินไปเองไม่มีใครบอกถามใครก็ไม่มีใครรู้อย่างนี้โอกาสที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปาถนาก็จะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นไปได้ก็ต้องใช้เวลาอันยาวนาน เช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคำทางหาทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองเพราะถามใครก็ไม่มีใครรู้เลยต้องบําเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆเช่นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมี วิริยะบรารมีสัจจะบรารมีขันติบรารมีเมตตาบรารมีปัญญาบรารมีและอุเบกขาบรารมีนี่คือบรารมีสิบประการด้วยกันที่พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องบำเพ็ญกันในแต่ละภพในแต่ละชาติ จนกว่าจะบำเพ็ญได้ครบเมื่อครบแล้วก็จะมีบา ร, รมีที่จะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรารู้จักท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีในอดีตมามากมายเช่นเราคงจะเคยได้ยินเรื่อง พระเวชสันดรพระมหาชนกนี่ก็คือภพชาติของพระพุทธเจ้าในอดีตในสมัยที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเช่นสมัยที่เป็นพระมหาชนกก็ต้องบำเพ็ญวิริยบารมีเพราะไปลอยคออยู่กลางทะเลไม่มีใครจะมาช่วยเหลือ พระ อ, องค์เลยต้องอาศัยความภาคเพียรความขยันไหว้นะ้ำเพื่อที่จะได้ไปถึงฝัง่งถ้ามีความขีคข้านมีความท้อแท้ไม่กะไม่วหวไม่ไห ว, ว้นะ้ำก็จะต้องจมน้ำในทะเลไปแต่พระ อ, องค์ทรงมีความภาคเพียรมากจึงสามารถช่วยตนเองได้ในสมัยที่เป็นพระเวชสันดร ก็ทรงบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างอย่างเต็มที่มีอะไรมากน้อยไม่เคยหวงแหนเก็บไว้เป็นของตนเลยใครต้องการใครเดือดร้อนใครอยากจะได้อะไรพระองค์ก็ทรงยกให้เขาไปหมดนี่คือการบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆของพระโพธิสัตว์ในแต่ละภพแต่ละชาติ และต้องบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติด้วยกันเรื่องที่เราได้ยินนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้านี้เป็นกลับเป็นกันภพชาตินี้ก็นับเป็นล้านขึ้นไปจนกว่าจะได้มีบารมีพอที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่หลังจากที่พระองค์ทรงได้ตัดสัรู้แล้วพระองค์ก็เป็นเหมือนคนรู้จากทางนะเป็นคนเป็นเหมือนคนตาดีแล้วเมื่อก่อนนี่ตาบอดมองไม่เห็นอะไรตอนนี้ตาดีแล้วเห็นจุดหมายปลายทางว่าอยู่ตรงไหนเห็นทางเดินที่จะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็เลยนำเอามาใคอ า, อามา เผยแผ่ให้แก่พวกตาบอดอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเรามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่ต้องบาเพ็ญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องบาเพ็ญมาเป็นกลับเป็นกันตอนนี้เราเพียงแต่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเราก็จะ สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปถึงได้ดังนั้นชาตินี้ของพวกเราจึงถือว่าเป็นชาติที่มีโอกาสมากที่สุดในบรรดาภพชาติต่างๆของพวกเราพราะพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถเมล์หรือรถไฟเที่ยวสุดท้าย ถ้าเราต้องการจะเดินทางกลับบ้านเรารู้ว่าถ้าไม่ขึ้นรถเมล์เที่ยวรถไฟเที่ยวนี้แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้กลับถึงบ้านเราต้องรองรถไฟเที่ยวต่อไปซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ดังนั้นพอเรารู้ว่านี่เป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขึ้นให้ได้ถ้าเข้าไปนั่งในรถไม่ได้ เกาะบนหลังคาได้ก็เกาะไปก็ดีกว่าเดินไปเพราะว่าระยะทางที่เราต้องเดินทางนี้มันไกลมากถ้าเดินไปนี้จะไม่มีทางไปถึงบ้านของเราได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนากับเรื่องของชีวิตจิตใจของพวกเราคือพวกเรานี้ยังไม่มี ดวงตาที่จะสามารถเห็นทางไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเราเองเราต้องอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นผู้พาเราไปชาตินี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรที่จะรีบตักตวงผลประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วหรือถ้ามีนี่ก็จะเป็นหนึ่งในร้อยหลายพันล้านโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะการที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายตายไปแล้วกว่าจะได้กลับมาเกิดอีกก็อาจจะเป็นเวลาหลายพันปีหลายหมื่นปีก็ได้เพราะจะต้องไปใช้กรรมในอภัย แล้วก็ไปรับบุญในสวรรค์แล้วถึงจะค่อยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเท่าหน้าพระพุทธศาสนานี้ก็จะอาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่มีใครบอกทางเราเราก็จะไม่รู้จากทางไม่รู้จากว่าชีวิตของเรานี้เกิดมา ได้อย่างไรและเป็นไปอย่างไรเราก็จะอยู่ไปแบบที่คนที่ไม่รู้จักศาสนาอยู่กันอยู่ไปแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและต้องไปแบกความทุกข์ต้องไปร้องห่มร้องไห้หลังน้ำตา ในแต่ละภพแต่ละชาติน้ำตาที่พวกเราได้เคยหลั่งมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าสะสมเอาไว้รวมกันไว้มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูก็แล้วกันว่าความทุกข์ของพวกเราในอดีตที่ผ่านมานี้มันมากขนาดไหนน้ำตาที่เราหลั่งออกมานี้เมื่อเก็บรวมกันไว้แล้ว มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอีกนี่คือความทุกข์ของพวกเราที่ได้ประสบกันมาและก็จะประสบกันอีกต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่บําเพ็ญบุญบา ร, รมีหรือไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา อย่างมากเราทำได้ก็คือต้องบอมเพ็ญบรารมีทั้งสิบประการไปด้วยตนเองต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาสิงต้องออกบวชต้องแผ่เมตตาต้องศึกษาธรรมะต้องปฏิบัติธรรมใจให้เป็นอุเบกขานี่คือ เรื่องของบุญบารมีที่พวกเราต้องทำกันไปถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นทางหรือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่ชาตินี้เราไม่ต้องไปบำเพ็ญแบบสุ่มเดาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้าง เราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่สามประการด้วยกันคือให้ทำความดีให้ละ บ, บาปแล้วก็ให้ทำใจของเราให้สะอาดเท่านี้เองงานสามข้อนี้ถ้าเราทำกันได้เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การทำความดีก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้เป็นค้รหัด์้ารวาดก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เราทาประโยชน์ให้กับเขาให้เขามีความสุขเช่นให้อาหารให้ยารักษาโรคให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยหรือให้ความช่วยเหลือต่างๆเท่าที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้เพื่อ ให้เขาได้มีความสุขให้เขาไดา้มีความทุกข์น้อยลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีดังนั้นเราควรพยายามทความดีอยู่เรื่อยๆไม่แต่เฉพาะเวลาที่เรามาทําบุญที่วัดนี้เท่านั้นเพราะว่ามันจะไม่พอเหมือนกับกินข้าวเราหิวตรงไหน ที่ไหนมีร้านอาหารมีอาหารขายเราก็รีบเข้าไปเราไม่ต้องรอว่ากลับไปบ้านก่อนแล้วเข้าไปรับประทานหิวเมื่อไหร่ถึงเวลารับประทานเมื่อไหร่ก็รีบรับประทานเลยฉันใดเรื่องการทำความดีก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับใจเรานี้เราต้องหมั่นทำอยู่เรื่อยๆ มีโอกาสทำได้เมื่อไหร่รีบทำเลยเห็นใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเห็นคนตาบอดจะเดินข้ามถนนช่วยเขาเดินพาข้ามถนนไปได้เห็นคนแก่จะขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์พอที่จะช่วยเหลือแก่ได้ก็ช่วยเหลือไปเห็นขอทานก็มีเศษสตังก็แบงให้เขาไปบ้างก็ได้ มีโอกาสใดมีเวลาใดที่จะทำความดีขอให้เรารีบทำกันอย่าเสียเวลากับการทำความดีทำประโยชน์ให้กับตัวเราเพราะมันไม่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นหาเงินหาทองหรือไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซื้อของฟุ่มฟือยต่างๆ ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อมามีอยู่แล้วแต่เห็นของใหม่ก็อยากจะได้ของใหม่ก็ซื้อมาจนเต็มบ้านล้นบ้านเสื้อผ้านี้ไม่มีตู้เก็บต้องต้องเสียเงินซื้อตู้ใหม่มาเก็บเสื้อผ้าเอง ก, การกระทํำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกระทํำความดีเพราะไม่ได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ถ้าอยากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็เอาเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้นี่แหละเอาไปแจกให้คนอื่นเขาเราเก็บไว้เท่าที่จําเป็นก็พอของอันใดที่เรามีมากเกินไปก็อยากเก็บเอาไว้เอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขความทุกข์จากการอยากได้สิ่งต่างๆก็จะมีน้อยลงไป ความทุกข์ที่เกิดจากความหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีน้อยลงไปความเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะน้อยลงไปความอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะมีน้อยลงไปก็จะทําให้พพชาตินี้มันน้อยลงไปตามลำดับ เหตุที่เราต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เพราะเรายังมีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเหมือนทองบางทีมีสมบัติมากก็อยากจะกลับมาหาสมบัติที่ตนเองมีอยู่อย่างนิฐทานในสมัยพระพุทธการที่มีเศรษฐีตายไปแล้วก็ยังคิดถึงสมบัติของตนก็เลยกลับมาเกิดในบ้านของตน แต่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็ไปขุดสมบัติที่ตนเองได้ฝังเอาไว้นี่ก็เพราะว่าสมัยที่มีสมบัติมีความรักมีความหวงมากไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยแม้แต่ลูกก็ไม่บอกว่ามีสมบัติเก็บไว้ที่ไหนความหวงความตนมีความอยากนี่แหละ ที่จะเป็นเหตุให้เราต้องกลับมาเกิดอีกส่วนถ้าเราทําตัวเหมือนกับพระเวชสัดนดรไม่หวงสมบัติเข้าของเงินทองถ้าอยากจะได้อะไรเอาไปเลยอย่างนี้ใจก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดหรือถ้ากลับมาเกิดก็มีกําลังน้อยมากพอได้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถตัดทบชาติ การเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่ถ้ายังหวงสมบัติยังหวงสมบัติยังรักสมบัติอยู่ก็จะออกไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ออกบวชไม่ได้กันพวกที่ออกบวชนี้เขาไม่รักก็ไม่หวงสมบัติเท่าของเงินทองเขามีอะไรเขายกให้คนอื่นหมดเลยพระอาจารย์บางรูปยกให้แม้แต่ภรรยาเพราะภรรยาไปมีชู้ แล้วก็ไปทราบเท่าตอนต้นก็เกิดความโกรธมากอยากจะฆ่าเขาแต่พอดีมีสติยับยั้งได้ก็คิดว่าการไปฆ่าเขานี้ก็ไม่ได้ทําให้ตนเองนี้ดีขึ้นแต่กลับทําให้ตนเองนี้เร็วกว่าคนที่ถูกฆ่าซิพอท่านได้สติท่านก็เลยพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวารต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะอยู่กับเราหรือจะจากเราไปเมื่อไรเราไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วถ้าเราไปยึดไปติดไปหวงเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราสูญเสียเขาไป เมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยตัดใจไม่เอาอแล้วทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบริษัท บ, บริวารสามีหรือภรรยาออกไปบวช ด, ดีกว่าไปอยู่ตามลาพังไปตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเองแล้วไม่นานท่านก็ได้ปฏิบัติหลังจากปฏิบัติได้ไม่นาน ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นพระเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือที่ได้แจกเอาไปถ้าศึกษาประวัติของแต่ละองค์นี้ท่านเสียสละกันทุกรูปท่านมีสมศัพท์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านไม่หวงเอาไว้เลยท่านไม่เก็บไว้ท่านไม่ต้องการ เพราะท่านมีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นกองสุขมันเป็นตัวที่จะดูดให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อีกความยึดติดความรักในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในยศถาบรรดาศักดิ์ในการสรรเสริญเยนยอหรือในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แล เป็นตัวที่จะดูดให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่พวกเรานี้กลับมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องลาบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายทุกคนรู้ทันทีอยากได้ทันทีเห็นเงินก็อยากจะได้ทันทีเห็นตำแหน่งก็อยากจะได้ทันทีเห็นคนยกย่องสรรเสริญเยือนยอก็อยากจะได้ทันที เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะชนิดต่างๆก็อยากจะได้ทันทีไม่ต้องมีใครสอนเลยส่วนเรื่องการทำความดีเรื่องการไม่ทำบาปเรื่องการชำระใจให้สะอาดโดยสุดนี้ต้องมีคนคอยสอนอยู่เรื่อยๆถึงขนาดมีสอนแล้วก็ยังไม่อยากจะทําตามกันก็เพราะว่าใจนี้ถูกอำนาจของ กิเลสตัณหานี้มันฉุดลากไปอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงทาให้การทำบุญให้ทานการทำความดีการละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นของยากเย็นอย่างมากเหมือนกับการปีนป่ายขึ้นภูเขาส่วนการทำตามความอยากความต้องการของกิเลสตัณหานี้ มันง่ายดายมากเป็นเหมือนกับเดินลงเขาไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยอยากจะได้อะไรก็รีบทำตามคำสั่งเลยอยากจะไปเที่ยวก็ไปเลยอยากจะไปดื่มสุราก็ไปเลยอยากจะไปทำอะไรต่างๆก็ไปเลยนี่เป็นเพราะว่าใจของเรานี้ถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันฉุดกเราไปอยู่ตลอดเวลานั่นเอง แต่เราต้องรู้ว่ามันเป็นการไปในทางที่ไม่ดีไปในไปไปหาความทุกข์กันไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้ากันทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องฝืนกิเลส ต, ตัณหาท่านต้องออกจากราชวังออกไปอยู่ในป่าในเขาหลัด ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวา ร, ร, ต, รต่างๆยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็ไปอยู่ในป่าตามลาพังไปรักษาศีลละเว้นจากการทำบาปต่างๆถึงแม้จะต้องอดอยากขาดแพงก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาเป็นอาหารจะยอมอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อาหารมาจากการบิณฑบาต นี่คือทางของผู้ประเสริฐทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นจากการทำความดีก่อนคือต้องเสียสละต้องแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวกองเงินทองต่างๆไปที่าเล็กเท่าน้อยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพราเมื่อเราเริ่มให้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นคุณประโยชน์จากการให้ เพราะใจของเราจะมีความสุขมีความเบา อ, อกเบาใจไม่ต้องมาหนัก อ, อกหนักใจมาคอยกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราไม่ให้เลยนี้เราจะเป็นเหมือนปู่สงเฝ้าทรัพย์มีเงินก็ไม่กล้าใช้กลัวจะหมดแล้วก็ยังรู้วแล้วยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกยังอยากจะรวยอีเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนั่นเองยิ่งยึดติดเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งเสียดายยิ่งหวงมากขึ้นไปจนไม่สามารถหาความสุขจากทรัพย์สมบัติที่มีได้เลยต้องกลายเป็นเป็นยามเฝ้าสมบัติไปจะไปไหนก็ไม่กล้าไปกลัวเดี๋ยวกลับมา ทรัพ ส, สมบัติข้าวของจะถูกขโมยไปหรือถูกไฟไหม้ไปหมดแทนที่จะมีความสุขจากการมีทรัพย์ก็กลับมีทุกข์กับการมีทรัพย์เพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลามีทรัพย์แล้วให้รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์การใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ก็คือ ใช้ไปนในทางที่ถูกที่ควรเช่นเอามาดูแลอัตภาพร่างกายของเราให้มีปัจจัยสี่พอเพียงเมื่อมีพอเพียงแล้วยังมีทรัพย์เหลืออยู่ก็ให้เอาไปทำบุญทำทานต่อเพราะจะทำให้ใจของเราได้ทรัพย์ภายในขึ้นมาได้อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นที่พึ่งของใจต่อไปได้ เพราะเวลาตายไปในภพหน้าชาิหน้าก็จะได้ไปเกิดบนกองสมบัติไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการหาทรัพ์สมบัติใหม่เพราะบุญที่เราทำนี่แหละจะเป็นจะเป็นทรัพสมบัติในภพชาติต่อไปนั่นเองนี่คือการรู้จักการใช้ทรัพใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่ามาเฝ้าทรัพยอย่ามาเป็น คนใช้คนรับใช้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้ไม่ถูกเราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราเพราะว่าให้ถ้าให้มันใช้เราเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวงความห่วงความเสียใจแต่ถ้าเราใช้มันแล้วเราจะมีแต่ความสุขใจสบายใจแต่อย่าไปใช้ในการเลี้ยงกิเลสอย่าไปใช้เลี้ยงกิเลสเช่นอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือย เรืออย่าไปใช้กับสิ่งที่จะเกิดเกิดโทษตามมาเช่นเอาไปซื้อสุรายาเมมาดื่เอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการใช้เงินแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์แต่จะเป็นโทษกับเราเพราะจะทำให้ร่างกายของเรานี้มีอายุสั้นลงเดือมสุรามากๆอายุจะสั้นลง ถ้าเล่นการพนันมากๆก็จะทำให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้หมดไปได้ถ้าเที่ยวมากๆก็จะทำให้สมบัติเข้าของเงินทองหมดไปได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ได้ทำให้เราได้เงินทองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเอาไปทำบุญนี้ถึงแม้เราเงินทองที่เราให้ไปนี้จะหมดไปแต่เราจะได้ทรัพย์ภายในขึ้นมาแทน เวลาเราตายไปเราจะไปเกิดบนกองเงินกองทองเป็นลูกของเศรษฐีหรือเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างที่พระพุทธเจ้าในชาติที่ทรงเป็นพระเวชสารดรก็ทรงบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดพอท่านตายไปก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วหลังจากนั้นพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อไปได้เป็นลูกของกษัตริย์มีประสาทสามฤดูมีบริษัทมีบริวารห้อมรอบอยู่มากมายนี่นี่เป็นอนิสงส์จากการที่เราใช้เงินให้ถูกให้เป็นประโยชน์กับเราคือใช้เพื่อรักษาร่างกายของเราแล้วก็ใช้เพื่อสะสมทรัพย์ให้แก่ใจของเรา ด้วยการทำบุญให้ฐานตามตัวอย่างของพระเวชสันดอนแล้วเราจะได้มีความสุขและความเจริญและเราจะสามารถตัดภพตัดชาติได้เพราะถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับเงินกับทองแล้วพอเรามีโอกาสเราก็อยากจะออกบวชเราก็จะออกได้อย่างง่ายดาย เพราะเราไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราสละไปนี้มีคุณค่าน้อยกว่าสิ่งที่เราจะไปแสวงหาใหม่ก็คือการไม่ทำบาปการรักษาศีลแล้วก็การทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญา สอนใจให้ชราไม่ให้หลงไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราและเราไม่สามารถที่จะไปควบคุม บ, บังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด สักวันหนึ่งสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบริษัตทบริวารสามีภรรยาบุตรทีดาปู่ยาตายายบิดามารดาของเหล่านี้ก็จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปถ้าให้พิพจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะเกิดความเบ่อหนายจะไม่อยากมีอะไรเพราะรู้ว่ามีแล้วก็จะต้องมีความทุกข์ เวลาที่เขาจากเราไปหรือเวลาที่เราต้องจากเขาไปนั้นเองนี่คือการชำระใจให้สะอาดชำระความยุติอุปทานชำระความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาด้เห็นว่ามันไม่เที่ยมเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้กับเราไปได้ตลอดเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะตัดอุปทาน ความยึดติดได้ตัดตั้หาความอยากได้เมื่อตัดได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความอยากไปเกิดอีกต่อไปภพชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเรานี่คือผลที่เกิดจากการบาเพ็ญบุญจเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพบตพระเจา้าคือทาดีล่ำบา และชำระใจของเราให้สะอาดโดยสุดิดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านก็ได้ทำความดีด้วยการทำบุญตักบาทรถวายทานทำบุญด้วยการละบาปด้วยการรักษาศีชำระใจด้วยการภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสดน์เดินจงกรมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกขอให้พยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากได้อะไรจนไม่มีความยึดติดในสิ่งต่างๆจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตในใจเลยเมื่อทําถึงตังนั้นแล้วงานของเราก็หมดเราไม่ต้องทาอะไรอีกต่อไปอยู่เฉยๆ ก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้ไม่เดือดร้อนเพราะบุญเราทำเต็มที่แล้วมีเต็มที่แล้วเป็นมหาเศรษฐีบุญแล้วไม่ต้องปฏิบัติทาก็ได้เพราะใจของเราสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติการอย่างเข้มข้นและอย่างไม่ยอ่อไม่ท้อถอย สักวันหนึ่งผลอนเลิศอนประเสริฐนี้ก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราภายในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญบา ร, รมีในยามเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่า ง, างๆเพื่อจะได้ตัดทบตัดชาติให้น้อยลงไปและหมดซึ่งไปในที่สุด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 โดยทั่วหน้ากันเธอ